เทศอบรมพระวันที่20สกุมภาพันธ์สองพันหร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดเดี่ยวดีมากใจเป็นสิ่งทำให้มีหลักมันต้องได้ถ้าตั้งใจฝึกฝนถ้าหาไม่แล้วจนวันตายใจก็ไม่มีหลักเกณฑ์ ความเพียรเพื่อทำอันประเสริฐแม้จะทุกข์ถึงตายก็สู้ดีกว่านอนจมกองทุกข์อยู่ด้วยกิเลสบังคับไว้ไม่มีวันปลดปล่อยเลยพูดเรื่องพระอนุรุทธเทระพระจิตของพระพุทธเจ้าด้วยกันนี้เทศเรียงลำดับจนถึงที่สุดดีมากและดีมากตลอดกันกันนี้ ใครฟังหรืออัดก็ได้ปลุกใจดีมากมันทำประโยชน์ทั้กทางิตธรรมายากมหมายถึงการเสดงทางกายทางวาญาณใจมีทาเป็นภารกิจชอบ แตกใจไม่มีธรรมะของเปิดเผยเป็นดูิียาเป็นหนุดูเาจิต ม, มันเๆๆ ด, ดืดท ด, ดือยาแต่ห่งการแสดงออก็วามักษณะดุเดือดนี้นใจมีความสงบรง่มเย็ใจมีหลักฐามมั่นคงแม้ิียา จะเป็นตามที่เกิดออกมากกต่างความช่าของมกความฤของนิสัยนั้นย่อตมต่างกันกับความหยุดหิกของจิตที่พาให้แสดงออกมาอยู่มากใจเป็นสิ่งที่จะทำให้มีหลักเกณฑ์ได้ให้มีความแน่นหนามั่นคง ได้ากสนใจปฏิบัติปฏิบัติสนใจแล้วหากไม่สนใจแล้วบวชจนกระทั่งวันตายปฏิบัติแต่กิริยาอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องโลกๆจนกระทั่งวันตายก็หาความมั่นคงของใจไม่ได้เราอยากเข้าใจรอบความมา่คงจะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใด นอกจากสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องควบคุมในการคิดทุกแง่ทุกมุมหากสติมีควบคุมก็เหมือนกับการทำงานมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมงานย่อมมีผลดี คนงานไม่ทะเลทลหลจิตใจที่มีสติปัญญาเครื่องควบเครื่องควบคุมคอยอย่างทำหน้าที่การงานดีไม่ค่อยผิดลาไม่เทะเลทลายการบังคับใจไม่มีสิ่งใดจะยากยิ่ยงกว่านี่เคยแสดงให้ ผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วขอให้ฟังอย่างถึงใจผู้แสดงนี้แสดงออกด้วยความถึงใจเพราะเคยได้ประพฤติปฏิบัติเคยได้ปึกทรมานจิตใจดวงพยศนี้มาแล้วทุกแน่ทุกมุมบางครั้งเหมือนกับชีวิตจะถูกติดลงในเวลานั้นด้วยความทุกข์ความลำบากเพราะการฝึกฝนทรมาน จ, จิตใจก็มีอยู่หลายๆครั้ง ซึ่งางานนดื่นเราเคยดำเนินมาที่เกี่ยวกับโลกสงสารไม่เห็นปรากฏว่ามีงานใดที่จะลดลงชีวิตกิตใจลงเพื่ออาจเกื่อหเพื่อผลประโยชน์นั่นๆเหมือนเพื่อผลประโยชน์ทางด้านจิตใจนี้เลยผมไม่อยากพบอยากเห็นเพื่อนฝูงที่ทำอะไรล่อแหละ ไม่จริงไม่จังทะเลาไหลจิตใจตั้งไม่หยุดเพราะจิตใจพร้อมที่จะตั้งอยู่เสมอด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องควบเป็นเครื่องวินิจฉัยใข้ควรเหตุผลหน้าที่การงานต่างๆละความเคลื่อนไหวของจิตและกายวาจาสติปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วเช่นเดียวกับใจคิดกลุ่มนั่นหละ เมือ่อถือคัดให้คล่องแคล่วแล้วยังรวดเร็วยิ่งกว่าคำคิดปรุงของใจไม่เช่นนั้นก็ทุกทรมานกิจซึ่งเป็นตัวคิดตัวปรุงตัวก่อเหตุก่อเรื่องราวในไม่ได้ปติปัญญาต้องมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีลังรวดเร็วมากกว่า ที่มาจากทุกทิศทุกทางมาอยู่สถานที่นี้ต่างองค์ต่างมาจากที่ต่างๆมีความมุ่งหวังอย่างเดียวกันคือเพื่อเพื่อทําเพื่อการรวบรวมศึกษาจากครูจากอาจารย์เพื่อได้หลักได้เกณฑ์ไปทั้งภายนอกภายในไประกฤติปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจและเพื่อฝูงตลอดถึงประชาชนทั่ ว, ว, ว, ว, วไปโดยลําดับ เพราะอาศัยการสุบผลอบรมด้วยความรินใจเราอยากพบอยากเห็นเสมอสมกับเจตนาที่รักหมู่เพื่อนไว้สาหรับการอบรมแนะนำสงสอนเราสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีแน่ใดแห่งธรรมที่เก็บไว้แบบนี้ลับ สแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและสุดความสามารถของตนก็เคยได้สแสดงให้ฟังจนชินใจแล้วทุกท่านบรรดาที่เคยอยู่กับผมมาเป็นเวลานานถึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจเพราะเหตุแห่งการได้ยินได้ฟังมาจางเต็มที่แล้ว แล้วการแสดงให้มเพื่อนฟังก็ไม่ได้แสดงด้วยความสงสัยเราแสดงด้วยความจริงใจซึ่งเคยปฏิบัติมาอย่างไรทางป่าจริงและผลกกรปรากฏอย่างไรขึ้นมาเป็นลำดับลำดาได้เคยพูดให้เพื่อนฟังเสเพื่อเป็นคติเพื่องเกื้ใจที่ได้มีกำลังอาบหันหนาลืงต่อการปฏริบัติตนเอง จิตแม้จะมีความพยศอดสูขนาดไหนก็ถือไม่นอกเหนือธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงวิเศษด้วยศรัทธาเวยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพระหา้าศรัทธาความเชื่อมั่นต่อผลที่จะพึงได้นับด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยชอบธรรมเวยะ เฮียนรักษาจิตใจของคนให้ดีไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่น่ารักษาและเป็นสิ่งที่สมหวังยิ่งกว่าการรักษาใจเมื่อรักษาได้แล้วขั้นในตอนใดจะเป็นที่สมหวังตามขั้นตอนไปโดยลําดับจนกระทึงกระทั่งถึงความสมหวังอย่างเต็มพูเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยไม่ดลดละความภาคเพียร นีเรียกว่าวิริยะยากลำบากเท่าไรก็ยิ่งเพียรยิ่งเรียกก็ความเพียรเห็นยากลำบากแล้วถอยหลังเสียนั้นเดียวกับความท้อแท้อ่อนแอสติดูในสถานที่ใดก็ต่ า, ตาอย่าให้เผลอถือเป็นภาระสำคัญเรื่องของในเรื่องของสติกับจิตซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลา กิจ ท, ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติต้องตกให้เป็นทราบถ้าผู้ปฏิบัติทางจิตตภาวนาจะไม่ทราบเรื่องงานของจิต ท, ที่คิดปรุงหาเรื่องหารามนั้นได้อย่างไรความคิดตามปกตินี่ใสของจิตจะคิดตั้งแต่เรื่องของสมุ ท, ทัยผิดทุกขึ้นมาโดยลำดับกว่าจะรู้สึกตัวก็ร้อนเป็นปืนเป็นไปไหม้ไปหมดเป็นเท่าเป็นฐาภายในตัวเอง เพราะความขาดสติโทษจาความขาดสติก็คือการทำลายตนในรับความทุกข์คุณค่าแห่งการมีสติคือการพยุมตนบำรุงรักษาจิใตใจของตนให้มีความสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นแต่เรียก ว, ว่าขุดสมาธิบังคับให้ได้ จิตเป็นของบังคับได้บังคับได้ด้วยสติมีความเพียรเป็นเครื่องหนุงไม่หยุดไม่ถอยวิสาหพยานทุกระยะเวลาเราอยากเห็นถึงใดมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่จะพึงเป็นตัวมรรคผลนิพพานขึ้นมาเห็นอยา่างชัดเจนภายในใจมรรคผลนิพพานไม่มีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากอยู่กับจิตซึ่งเวลานี้กาลังถูกกิเลส ตัวเป็นค่าสุกแตมักคผนิพพานบุมร้อหรือรัดรึงอยู่ ต, ตลอดมาไม่สามารถที่จะมองเห็นมรรคผนิพพานอันเป็นความรู้กันโดยลำดับได้เพราะกิเลส น, นี้เท่านั้นไม่ใช่เพราะสิ่งอื่ในใดพยายามทำให้มีความสงบจิตใจเป็นของจิตสงบได้คำว่าสงบ หมายถึงว่าหยุดนิ่งคิดปรุงต่างๆเยะหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยอันนั้นเป็นได้ในบางกาลไม่ปฏิเสธจิตที่จะเป็นได้อย่างนั้นมีได้เป็นบางกาลบางเะยเท่านั้นแต่จิตที่มีความสงบ อ, อ, อยู่ภายในตัวไม่ฟุ้งคิตฟุ้ง่านดำพานประกอบกิเลส อันเป็นเหตุให้อเกิดทุกข์ขึ้นภายในจิตใจนั้นไม่คิดไม่วุ่นไปคิดก็คิดอยู่ในแง่แห่งสัมมาทิฏฐิมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่เสมอไม่ทายแต่าหาเรื่องหาราวมาเผาตัวเองมีเรียกว่าจิตสงบอัญญาเคยได้พูดให้ฟัง คือความแยกแยะความไข้ครูนความพินิดพิจารณาหลายด้านหลายแง่หลายกระทมมากคำว่าปัญญามีความกว้างกวาง ม, มากมเหมือนสมาธิแล้วแต่ความถนัดของผู้พิจารณาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามขึ้นที่ว่าเป็นไปเพื่อตอบถอนพิเรศซึ่งมีอยู่ภายในนี้แล้วเรียกว่าปัญญาได้เท่างหนี่และาะห้า สัทธาวิริยะสติสมาธิตัญญาอินทรีห้าคือความเป็นใหญ่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอาไปปราบรกิเลสหมอบราบได้จริงๆโดยไม่สงสัยถงเรียกว่าอินทรีห้าคือเป็นใหญ่สัทธาก็มีความเป็นใหญ่จริงจังในตัวเองในทางหนงวิริยะก็มีความจริงจังในตัวเองอีกทา ง, งถ้าเราจะแยก เป็นเป็นใหญ่เป็นพ่อพอหรือเป็นเง่แๆ่ไปสติิก็มีความเป็นใหญ่สิ่งอื่นจะมาเป็นสติแทนไม่ได้ปัญญาสิ่งอื่นจะมาเป็นแทนปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็เป็นสมาธิสิ่งอื่นใดจะมาเป็นแทนสมาธิก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นใหญ่แต่ละอันแต่ละอย่างละอย่างรวมแล้วเรียกว่าความเป็นใหญ่ห้า่า่ง ทำห้าอย่างนี้ได้เข้าเกี่ยวข้องกับจิตแล้วจิตจะต้องมีความสงบร่มเย็นและมีความแยกขานมีรากมีฐานภายในจิตใจมั่นคงไป ด, ดูลำดับเดี๋ยวคำว่ามรรคผลนิพพานที่เคยได้เห็นในตำรักตำลักซึ่งได้ยินแต่ชื่อและมีู้บาจารย์ท่านสุเดชทำให้ฟังในที่ต่ตางๆมรรคผลนิพพานนั้นเราก็จะทราบที่จิตใจของเราเอง จากการปรพัฒน์ปฏิบัติดูสถานที่แห่งเดียวกันนี่แหละอย่าคิดมัผลนิพานให้นอกไปจากจุดที่กล่าวนี้จะไม่ผิดหวองถ้าคิดนอกนี้ไปแล้วเพีนงคิดไปตามการนุฒิฐานที่นี่อย่างนั้นผิดนอกจากคิดไปการนันสถานที่นี้เพื่อการประกอบความภาคเพียนอันเป็นที่เหมาะสมกับสถานที่นั่งที่นั่นเท่านั้นอย่างอื่นผิดหมด เน่อพระพุทธเจ้าท่านวิเศษด้วยทำห้าประการนี้ไม่ได้วิเศษวิสโสด้วยความทอดแท้อ่อนแอนั่นเป็นบริษัทปริวาณของกิเลสเป็นเครื่องเสริมกันไปกับกิเลสกิเลสั้งมีอยู่ภายาใก จ, จิตใจตราบใดความขี้เกียจขี้ค้านก็ต้องมีไปโดยลำดับเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความขี้เกียจความอ่อนแอเป็นเรื่องของยุ่งความต่อสู้ความขี้เกียจหรือความขยันมั่นเพียนความอดความทนเป็นเรื่องของธรรมนี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจงดำเนินตามแนวของธรรมที่เห็นมาผูกต้องแล้วอย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงหรือแยกสิงเอาความเปลียนของเราไปได้โดยความเชื่อตามมันหรือยอมจานวน สิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีความเหนียวแน่นมั่นคงแก้ยากถอดถอนยากยิ่งกว่ากิเลสแต่และประเภทประเภทไม่มีอันนี้แก้ยากมะเพราะเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของโลกที่ชอบกันโลกชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพระพุทธเจา้าสอนทวนกระแสโลก เพราะฉะนั้นการทวนกระแสะโลกจึงต้องเป็นการจึงต้องฝ่าฝืนกันมากน้อยตามประโยคแห่งความเพียรหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายใจิตหนักเบามากน้อยต่างกันซึ่งควรจะฝูนมากน้อยเกียงไรก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายในจิตเป็นระยะระยะไนี่เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลมิผาดเอาให้เห็นเอาให้จริงจัง จิตดวงนี้เองจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ใช่จิตดวงใดและจิตดวงนี้เองเป็นภาชนะจิตรับกิเลสหิงจตกับโกส้วมมันไล้ค่าหาคุณไม่ได้เต็เนไปหมดก็อยู่รนภาใ น, น, าในใจิตใจนี่คือว่าใจเป็นภาชนะทั้งกิเลสเมื่อกําจัดกิเลสออกจากภาชนะนั่นแล้วธรรมะก็แทนที่ ใจจึงควรแก่ธรรมโดยลำดับลำดับตั้งแต่วิริยะธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปนั่นก็เป็นผลของธรรมคือความสุขเย็นใจไปตามขั้นแห่งการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรจนปรากฏเป็นความอัตจารย์ภายในตน ซึ่งเราไม่ขาดในฝันว่าความอัศจัรย์แบบนี้จะมีได้ภายในจิตความสงบก็ทำให้เกิดความแปลกประหลัดเพราะจิตไม่เคยสงบบางครั้งสงบถึงกับขาดจากการคิดการตุงทั้งทีง่ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขาดเหมือนกับขาดเหมือนสะพานขาด ไม่มีหินใดติดต่อกันในบางครั้งนั่นเรียกว่าเงร้าในบางครั้งแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ใช่กล่าวให้ผู้ฟังทั้งหลายค่าคณิริดาออกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้หนักในเหตุคือการดำเนินของตนเมื่อถึงการที่จุควรรู้ทำประเภทนี้หรือจิตประเภทนี้จะแสดงตัวขึ้นมา ก็ให้แสดงขึ้นภายในความเพียรในวงปัจจุบันนั้นอย่า<ม>ให้เป็นอดีตสัญญาอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ้เป็นความปรุงแต่งเฉยเฉยไม่ใช่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัว ม, มีได้เราแน่ใจเรารับรอว่ามึงได้ในบางครั้งบางครั แต่ที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบและความมั่นคงรู้สึกมีความแน่นหนามมั่นคงสงบเย็นอยู่ภายในใจนี่พอเราอยู่ไหนก็พออยู่เพราะมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดูดดื่มเป็นอาหารเป็นโอชารคของใจใจได้อาศัยธรรมเห่านี้เป็นเครื่องบำบุดว่าร่มเย็นเปรียงจุ ไม่ปอดศอกไม่แสวงตายแสบแต่หาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้การที่จิตตายแสบแต่หาอารมณ์นั้นนี้เพราะไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะเป็นเพราะวความหิหวโหยจึงต้องเป็นไปไม่หยุดไม่ถอยถ้าตามดุคร้อยตามไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความหิหวโหยขึ้นมาความทุกข์ก็ยิ่งมากท่านจึงสอนให้ระงับดับความ ห, หวิวโหยโดยความคิดความปรุง ไปตามกระแสะโลกอันเป็นบอกเกิดแห่งไฟทั้งกองมาพออนวมจิตใจนั้นให้ละงับด้วยอารมณ์แห่งสมาธิหรือด้วยการถูกฝนทรมานจิตใจเอางานอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเป็นงานที่จะทำให้สมเป็นงานการบำรุงทำการบริกรรมทำ การพินิจพิจารณาทำท่้งหลานี่เป็นงานที่ถูก่างจิต ก, ก็เหยียเมื่อจิตเย็นการเวลาก็ย่นเข้ามามันยืดยาววุ่นวายจัตัออยู่สถานที่ไหนก็สงบเย็น มันไปยุ่งเยองวุ่นวายกับเวลามเวลาซึ่งเป็นเพียงมืดกับแย้งเท่านั้นและมีมาตั้งแต่กับการไหนไม่อาจจะนับได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความสาคัญยิ่งกว่าจิตถ้าจิตไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งแล้วก็เหมือนสิ่งเหล่านั้นไม่มีแม้จะมีเต็มโลกก็เหมือนไม่มีเพราะใจมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีกระแสของกิตกระแสใด แยกออกไปหมายว่าสิ่งนั้นนี้สิ่งนี้มีหรือสิ่งนั้ น, น, น, นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้เรื่องนั้นเป็นนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นระงับดับกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสําคัญที่หลอกตัวเราอยู่เสมอได้จากความคิดปรุงนั่งอยู่ก็ปรุงเรื่องปรุงราต่างๆหลอกหลอนตนเองคืออยู่โดยลําพังไม่ได้ อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตยุ่งไปอยู่เช่นนั้นอย่างน้อยให้จิตอยู่กับธรรมมากกว่านั้นจิตก็อยู่กับความรู้ความว่างของตนคือวางโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวมีแต่ความรู้อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์ของความรู้ไม่เสียดายิ่งใด ไม่เปคิดไปเกี่ยวเกาะกับสิงใดว่ามีหรือไม่มีโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปหมายไม่มีผู้ไปสํำคัญไม่มีผู้ไปให้ชื่อแห่งนามไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิงนี้เป็นนี้ตัวปรุงแต่งนี้มันลังับดับสนหมดแล้วหรือแต่ความรู้วัลลวนเมือ่อไม่มีกระแสะของจิตใ ด, ดที่ปรุงคิดออกไปสู่ภายนอกแล้วโลกนี้ก็เหมือนไม่มี ผลที่สุดร่างกายที่คลองกันอยู่นี้ก็ไม่เพราะไม่หมายไม่คิดไม่ตุงเห็นแต่ความรู้เด่นชัดจุด่นความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่แต่ประหลาดจะอัศจรรย์อยู่ไม่หนอปัญญานั่นแหละเป็นของสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติเรารู้สึกว่า ติดปกติดใจถ้าจะพูดถึงติดใจในเรื่องของปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทแม้ที่สิ่สงห ย, ยาบหยาบจะระ ง, งับด้วยสมาธิไม่หลงเราก็ใช้ปัญญาระ ง, งับดับลงได้เห็นอยมพนันตากินได้ก้าสามารถเขียนปัญญาลงสมาธิออกมาด้วยความประจักษ์ประญาเอง เวลามันผ่าโผนผ่าโผนมากแต่เมื่อกิจผ่าโผนมากสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะไม่ผ่าโผนตามกันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็าตายถึงวารนะที่ควรจะทําให้หนักมือแล้วต้องทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะมันหกเป็นหากบอกเองเหตุการณ์ในขณะนั้น บอกเองเราได้เข้าใจถึงความเพียนว่าจะมีความสามารถอาหารขนาดไหนยิ่งทุกขเวทนาครอบหมดทั้งร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเพรากาศความจรินไหมเห็นอย่างชัดเจนถ้าผู้หุ่งต่อความรินอยู่แล้วก็นำขินอนี้เข้ามาพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจ ถึงความจริงทุกอย่าในบรรดาเวทนาที่มีอยู่กับอาการใดแห่งรัยวะคนคิดพิจิตรณาจนเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงนันเรเวทนาก็สัก์แต่ว่าเวทนาดังท่านพูดไว้ในะจะิประธานสีไม่ผิดไม่มีผิดเลยไม่ขัดแย้งกันกับภาพปฏิบัติเลยเพราะเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้ว เวทนาก็สักแต่ปรากฏตัวอยู่เฉยๆไม่มีความมุ่งหมายไม่มีความรู้สึกว่าได้เป็นค่าสึดต่อผู้ใดและไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นเวทนาตนเป็นค่าสุดต่อตนหรือต่อผู้ใดสักแต่ว่าเป็นความจริงอยู่ทั้งนั้นจิตเองเมื่อได้พิจารณาเวทนาถึงขั้นเป็นความจริงแล้ว จิตก็กลับมาเป็นความจริงเช่นเดียวกันกายก็จับแต่ว่ากายเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นทั้งสามอย่างนี้ต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทืนกันนี้เวทนาจะไม่ดับเมื่ถึงเาละจะไปแล้วหรือเข้าไปโดยไม่มีความกระทบสะท้านโดยไม่ไปแย่งเอาของปลอมมาจากเวทนาว่าเป็นตน ตางอันต่ินี่จริงด้วยปัญญาเก่งอย่างนี้เมื่อได้ย่างถึงความจิงเช่นนแล้วย่อมซึ้งไม่มีวันเลืมถึงคราวจะพิจารณาในการหน้าการหลังเราก็หยิยบยกเอาต้นเหตุที่เราไปพิจารณาอย่างไรวิธีการของเราเคยพิจรารณาอยาไรดำเนินไปตามนั้นโดยไม่เบลอแต่ไม่คาดหมาย เมลผลที่เคยเกิดมาแล้วและเหตุที่เคยคิดมาแล้วอย่างไรจะนำเอานั้นมาใช้ด้วยความคาดหมายไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวงปัจจุบันนั้นต้องคิดสติปัญญาขึ้นมาใหม่แม้จะซ้าของเก่าก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเฉพาะหน้านั้นแล้วเรียกว่าปัจจุบันแก้กันได้ทันท่วงทีนี่เป็นการพิจารณา เรื่องทุกข์ถึงขาวลำบากลำบากจริงๆจะทุกข์จะลำบากแค่ไหนถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจไม่ลำบากทุกข์ก็สับแต่ว่าทุกข์ถ้าใจมีความกระวนกระวายไปด้วยแล้วทุกข์ทางด้านจิตใจเรียกว่าจิตตะเวทนาก็เพิ่มเข้าไปอีกทั้งกายเวทนาเลยเป็นท่าศึกสองสองท่าประดังเข้ามาเราก็เลยกลายเป็นเนื้อบนเสียงไปได้ข้างหนึ่งก็ เป็นเขียงข้างหนึ่งก็เป็นมีดสับย่ำกันลงไปเราซึ่งเป็นชิ้นเนื้อก็แหลกไปได้ตาเป็นดังที่กล่าวมานี้ทางจิตก็เป็นทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์นี่แล้วก็สับลงที่จิตจิตโง่จิตไม่ฉลาดก็ปล่อยให้ทุกเวทนาทั้งทางกายและทางจิตใจเหยียบย่ทำทําลายแบบไม่เป็นท่าไม่สมเป็นลูกศิษย์สถาบัน ซึ่งพระองค์ทรงสอนไว้ให้รูต้ตามความจริงของทุกสิ่เช่นสติปัญฐาสี่กายเวทนาจิตธรรมเขาสักแต่ว่าหนังกลางใช่ไเมื่อถึงขั้นสักแต่ว่าคือสักแต่ว่าด้วยปัญญาแล้วไม่จะสักแต่ว่าด้วยสัญญาเฉยๆพวกเราเรียนมามันสักแต่ว่าด้วยสัญญาความสักแต่ว่าด้วยปัญญาอันเป็นความจริงนั้นไม่ยังไม่ปรากฏแผ่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาพปฏิบัติ ดำเนยเต็มทัศิ์ที่กำลังความสามารถตายที่ไหนก็าตายเถอะ <c oughs> มันเหมือ น, มนเหมือนกันหมดมเลยโลกอันนี้เจ้าหีบ อ, อ, อาลงเอาโกดอะไรมาใส่แล้วก็คือใส่คนตายมันหมดความหมายไปแล้วเวลานี้เรายังมีความหมายเต็มตัวของเราเราพยายามสร้างความหมาย ก, ก, ก, การใจลองเราที่มีความหมายให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่าเสียธาตุอย่าไปคิดว่าสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเหนือธรรมเหนือการความเพียนของเรางานใดก็ไม่เหนือความเพีย่ยนซึ่งมีค่ามากคืองานถอดถอนพิเ ด, ด็งานเหล่านั้นเป็นงานสังสมพิเผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นพิเด็ดเพิ่มเข้าอีกเลยมีตั้งแต่เรื่องของสมุทยหมุนติ ว, ตวด้วยเหตุนี้เองโลกของสารแม่สมบัติเงินทองเข้าของ อะไรจะมีเป็นแผ่นดินโลกยิ่งมีความผูกความเกี้อวเพราะถึงอางนั้นไม่สามารถที่จะมาบำรุงจิตใจให้มีความผูกความสบางได้นอกจากทำเท่านั้นทเป็นของสําคัญมือของประเสริฐความเพียรเพื่อความประสบิฐใขนาดไหนก็สุ้ตายก็ประสบ คนคนนั้นไม่เลยขอาให้จริงจังยาแล้วหลอกแย่เลนินสัยอย่างนั้นไม่ใช่นิสัยจะจทรงอัจฉริยะไม่ใช่นิสัยจะทรงมัคคุนิพันนอกจากจะแบกขามพิเรย์ไปตลอดขับตลอดกันไม่มีรูปหมายปลายทางเท่านั้น เรายังไม่เห็นโทษแห่งความอดแอรคออ์ความท้อถอยความขี้เกียจของเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าของธรรมตลอดไปเกิดในภพใดชาติใดแม้ดีในมีใ น, ในชีิตนี้ยังไม่ตายมันก็แ บ, บกประหามตั้งแต่ความทุกข์เราไม่อิดหนาลราอาเจียบ้างเอรอทุกข์ที่หนักที่สุดก็คือทุกข์ทำใจแบกปัญญาอารมณ์ซึ่งล้วนตั้งแต่ชี้เละเป็นผู้ผิดเพิ่มตัวขึ้นมาเรื่ แบกความเพียรที่หนักให้หนักด้วยความเพียรไม่เป็นไรปัฏฐาวิยะอภิสมาธิปัญญาไม่เคยหนักแั่ความพอใจมีแล้วหนักก็หนักตาก็ตา ย, ตายโลกนี้มีปัจฉ้าอยู่ด้วยกันทุกคนทุกรูปทุกนามมีอยู่กับตัวเองจําเป็นอะไรจะต้องมีปัจฉ้าที่หนุนที่มีสําหรับฟังสําหรับเผาศพของคนละจ๊ะมันมีอยู่ในตัวนี้แล้วตายที่ไหนก็เป็นปัจฉ้าที่นักโลกสี่ปัาก็ ต้องมีความมุ่งมั่นขันติความอดความถนแต่ถ้าสามารถจนเป็นสาสด า, าของตนได้คําว่าศาสตดาคือครูเอกครูเอกนี้จะได้ด้วยวิริยะศรัทธาก็เป็นเอกขึ้นโดยลำดับ ว, วิริยะก็เอกชติก็เอกปัญจมาธิก็เอกปัญญาก็เอกแล้วจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานอันทำอันเป็นธรรมขั้นเอกได้อย่างไ น, นี่นเอกที่ตรงนี้ พอให้จริงพมมาเอกก็หนึ่งไม่มีสองไม่มีทิ้งได้มาเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกไม่ใช่เอกว่ามีในตาข้างเดียวคนตาเอกหมายถึงคนมีในตาข้างเดียวข้างหนึ่งบอดเสียช้างงาเอกก็มีงาข้างเดียวเขาเรียกช้างงาเอก ง, งาข้างมไม่มีคนมีในตาดีข้างเดียว ข้งบอดเสียก็อย่างคนตาเอกภาษาทำท่าวิสาลนี่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่เอกอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเอกที่มันมีสิ่งได้จะเป็นคู่แข่งเยเลศซึ่งเคยเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายจิตใ จ, จแล้วกลายมาเป็นคู่แข่งในขณะที่เรามีความเา่าเทียมหรือต่อสู้ต่อสู้กัมันมันก็เป็นคู่แข่งเมื่อสิ่งเราทลาะทั้งห้ามีทีทั้งห้า มีความเป็นเดชข้าโดยลำดับเดชทั้งหลายก็ยอม แ, แพ้แพ้แค่ไปอย่างลากไ่มีเหลือนั่นเป็นความเอกแพ้การพิจารณาทางร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลหญิงชายไม่ว่าข้างนอกข้างในพิจารณาประสัดประสานกันได้ด้วยปัญญาเป็นมากได้อย่านั้น ไม่เกี่ยข้องถ้าพิจารณาให้เป็นมาเครื่องแก้กิเลสทําทความรู้สึกให้เป็นกิเลสข้างนอกก็เป็นข้างในก็เป็นมันสําคัญที่ความพลิกผันไปในทางสมุทยัยหรือไปในทางมรรคถ้าไปทางมรรคก็เป็นทําขึ้นมาไปตามสมุทัยก็เป็นกิเลสขึ้นมาก็มีทํางนานเวลาทุกยากลําบากก็เหมือนจะไม่เห็นผลอะไรตามปรากฏ เวลาผลปรากฏขึ้นมาโดยลําดับๆก็เกิดขึ้นมาจากความเพียรที่เห็นว่าลําบากนั่นแหละจนกระทั่งสิ่งจิตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือยิ่งจะไดเห็นคุณค่าของความเลี่ยนของเราทุกปั๊กทุกตอนที่เคยจะเริ่มลุกคูกรามและจะเกียวตะกายมาจนถึงขั้นหลุดพ้นนี่ว่าขั้นชัยชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อจิตได้หมด จากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่าไหร่ไม่มีกิเลสแม้นนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสมมติเข้าแทรกภาระจิตแล้วนั่นแหละท่านียก็เป็นอิสระเป็นที่ในยาบททั้งจิตที่มีชีวิตอยู่นี่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละยาบทคือความเปลี่ยนเพื่อความบรรเทาของทุกในร่างกายพอเป็นพอไปกอถึงอาจุไคส่วนจิตไม่มีอะไรที่ทําเป็นเครื่องเดียวอย่าง ตอไปอยูแล้วการทําความเพียนเพื่อลักพิเลก็ไม่มีเพราะพิเลกักนนไปหมดแล้วตายจิบหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือก็มีงแต่แันตั้งหที่ยังไม่ตายแสดงตัวลุกหลิดลุกหลุดลุกหลุดอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนหางทิ้งเด่นขาดตัวมันลื่นไปถึงไหนแล้วถามมันยังลุกหลุดลุกหลุ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดขามันขาดมีเพียงแขนเมื่อมีชีวิตคล้งตัวอยู่นันก็มี ตั๊ดดดูด็กเหียนั้นพอหมดวาระหมดความสือต่อเข้ามาแล้วก็กระจายลงไปส่วนรูปก็เป็นดินเป็นรูปธรรมเป็นดินเป็นน้ำนามธรรมก็เป็นลมเป็นไฟไอ้ทํามเวทนาปิดเเป็นในจิ มันก็แยกตัวโยนเวทนาก็ดับเพราะร่างกายมันก็หมดไปหมดความหมายไปแย้เวทนาก็หมดความหมายไปตามกันทั้งขันยินยาณความคิดคำตรึงอันเป็นอาการของสมุดทั้งมวลก็ดับไปด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมุดทั้งสิ้นในบรรดาขันตั้งหะไม่มีขันใดจะเป็นนิมมุติจิตที่เป็นนิมมุติแล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกัน เดียวกว่าหมดสมมุติหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงและเรียกว่าอนุปาีิเสษสันิพานก็นม่ผิผดคือดับสนิท ด, ดับสมมุติโดยสนิทไม่มีสมมุติใดเกืแขงพอที่จะให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกได้เลยนับแต่ขันสลายตัวลงไปเลยดังพระพุทธเจ้า ขณะที่จะเสด็จจักขันทพริปรีพานพระมูทะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระสิทธวิชาคือรู้วาราจิตก็ตามพระจิตของพระโพธจักเาราคอฟังเาราฟังนะ ต, งตรงจุดสงคัญพระจิตที่บริสุทธิ์มีสิ่งาพาคพิงคือสมมุติเป็นที่เทียบเียา พระจิตพระพุทธเจาถ้าเด็จเข้าปฐมฌานพระนุทะก็ทราบก้าวเข้าสู่ทุติยฌานตัติยฌานจัตุทัชฌานซึ่งเป็นสมมติเรียกว่ารูปฌานทั้งสีก็เป็นสมมติขั้นพระอนุทะกาา็ทราบพระจิตนั้นเวลาเวลานี้กําลังผ่านรูปฌานนั้นๆพอพ้นจาก หรือออกจากรูปประฌานทั้งสีน่นี้ก็กล้าเข้าอารูประฌานทั้งสี่ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเรียกว่าอารูปฌานกล้าเข้าสู่อากาส า, า, นะ า, านันตญาณะวิญญาณันตานันตนะอาจินจัญญานะเจนะเนสัญญานะเจญญนะซึ่งเป็นสมมุติแต่ละขั้นและขั้นและขั้นถ้าจิจที่บริสุทธิ์ผ่านไปตรงนั้นตรงนั้นพระรูปพระทราบโดยลำหนักบนหัน เพราะอาศัยส ม, มุดพูดออกได้เวลานี้กําลังก็ฉันฉนั่งสารพอไปจากนั้นแล้วก็กล้าข้อสัญญาเวทายตมิโรตสมัมมาทรงนะครับท่าอาการทุกส่วนอยู่ในจุดนั้นอันดาพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกรรันไป็นวันว่าเกิดความสงสัยจึงถ า, งามพระอนนานุโมทนาภิพุทธเจ้าไปไม่พันแล้วหรือบอกว่าอย่างนะั่งดำดิ างานนี้กําลังเข้าสัญญาเวทายิในโลกเวลาเสด็จถอยออกจากสัญญาเวทายิ่งโลลงมาอรูปฌานโดยลําดับอันหนึก็พระอนุอนุทาก็ทราบทุกระยะและบอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงปฐมปฐมฌานซึ่งเป็นรูปฌานและออกจากนั้นลงไปเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดา นี่ยถ้าจิต ท, ที่บริสุทธิ์นะถ้าศูนย์แล้วอะไรจะไปเป็นจะเข้าสูรรา่รูปประฌานรูปประฌานชั้นยาเวทจะหลุดผู้บริสุทธิ์นี้ข้าไปโดยลำดับไปตามสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติผ่านไปผ่านแต่เรียกว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านากลับมาหรือผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั้นจิต ท, ที่บริสุทธิ์ผ่านไปถึงจุดจุดท้ายของสมมุตดแล้วก็ ถอยกลับลงมาเจนกระทั่งถึงบังต้นอย่างสมมติอันเป็นส่วนหยาบได้แก่รูปประชานคือปฐมฌานนี่ถอยออกมาเป็นพระจิตที่บริสุทธิธรรมาแต่ั้อก้าวเข้าไปอีกปราณีฐาก่อนซาโดยลำดับกันินกระทั่งเลยปฐมฌานไปแล้วเลยรูปประชานไปแล้วอารูปประชานก็ไม่ไม่กระเดิดไปจริงทานออกในระหว่าง สมมติทั้งสองคือรูปประฌานและอรู ป, ประฌานจากนั้นพานุทะพูดไม่ถูกพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นออกจากวงสมมุตินี้ไปแล้วพานุทะพูดไม่ถูกแต่ไม่ได้สงสัยว่าถ้าถิตมือเ้านั้นเป็นอย่างไรก็เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นแหละนั่นี่มาเลยแม้บริสุทธิ์ ขนาดนั้นก็ต้องทราบว่าบริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงทราบจิตของสาวกทั้งหลายที่เป็นอรหันต์อรหนต้อยู่ในขั้นใดผืนไหนก็ทราบเมื่อถึงขั้นอรหันตผลแล้วก็ทราบคือเป็นจิตบริสุทธิ์ก็ทราบเนี่ยโอ้ที่มีหูมีตาก็ต้องทราบอย่างนั้นตามสิ่งที่จะทําให้ทราบผูกอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะไม่ทราบอะไรก็ไม่สําคัญ ให้ทราบตัวเราเองเวลานี้จิตของเรามันเป็นอย่างไรมันดิ้นรนกดแก่ไปในทางไหนซึ่งเป็นของนั่ปราปรามันด้วยความภาคเกลี่ยอยากลดละท้ออยละนี่เป็นสิ่งถูกต้องเวลานี้จิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านนำคาญด้วยอารมณ์อนไรค้นคว้าหาเหตุหาผลเพื่อรับดับมันได้ด้วยความเพี่ยนของเราชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติ การพิจารณาทานานปัญาให้แยกแยะออกดูแหลกละเอียดกี่ครั้งกี่หนไม่สำคัญสำคัญที่จนเป็นความชำนิชำานาญเมืม่อํำนานจนพอตัวแล้วก็ปลอร่างกายนี้ไม่ใช่จิตจะพิจารณาไปตลอดสายถึงขั้นที่พอตัวแล้วจิตก็ปล่อยวางในการพิจารณาเหมือนกันพอ ตรงไหนปล่อยตรงนั้นพอตรงไหนปล่อยตรงนั้นเห็นรูปกายของหลังเมื่อจิตพอแล้วก็ปล่อยไม่สัมผัสแม้จะบังคับให้พิจนนารณาก็ไม่ยอมพิจนนารณาการบังคับก็จะบังคับอย่างไรกันเพราะตัวก็รู้อยู่แล้วว่าจิตนี้พอแล้วกับการพิจารณาทางส่วนร่างกายสมบูรณ์เตมที่แล้วจิ ด, ดื ด, ดืนแไะนา ม, มาทำ เวทนาสัญญาสั้งขานหนึ่งอย่างก็พิจารณาตามความหยดุจของจิตนั่นแหละเหมือนกับเชื้อไฟมีเชื้อตรงไหนก็ไหม้เข้าไปาไหม้เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมันเป็นกองไฟใหญ่เละแตะปิตาวิฉาเหมือนอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสั้งขานหนึ่งอย่างได้ถูกพิจารณาแล้วแล้วเราเล่ามาหยุดไม่ถอยทําไมจะไม่เข้าใจทําไมจะไม่ปล่อย วาทำไมจะไม่รู้เท่าและปลอดวาะมันก็รู้เท่าจริงยขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจริงแห่งที่ที่บอกเป็นมหากระจัดแห่งไตรภคไตรจิตตวิชามันก็หมุนติวติวเข้าไปมอจะติดปัญญาเพียงพอที่ควรจะทำลาย ล้ลางขลัสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดซาให้สิ้นสะไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตเลยสติปัญญานั้นก็ทำลายวิชาสิ่งสุดลงไปหมดสิ้นซาลงไปจากใจใจนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ล้ว น, นเป็นธรรมทั้งแท้เราจะมาทำทั้งแท้นะ จ, ทททแทจิต บริสุทธ์ทั้งดวงก็ไม่แย่งไขรเพราะหมดสมมุติที่จะมาขัดมาแย่งมาเป็นคู่แข่งแล้วนั่นคือจิต บ, บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็รู้อยู่บริสุทธิ์สูญหายไปไหนพระพุทธเจ้านะครับตรัสรู้ทแล้วสั่งสอนโลกก็ทรงสั่งสอนด้วยความบริสุทธิ์พัดถัดสาวกอรหัตอาหารทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดยมุทภณิพนานแล้วก็รู้ไม่ใช่ศูนยนะ ดนกระทั่งหมดสมมุติไม่มีสิ่งดเหลือที่จะอาศัยซึ่งกันและกันไปแล้วก็ปล่อยสลัดทิ้งตามความปริงของมันส่วนไหนเป็นอะไรก็ปล่อยไม่เยอใหญ่เยอะอะไรธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวอย่างเป็นที่แล้วก็ไปตามเรื่อ ง, องความปริญของตัวเท่านั้นที่ผลแห่งการปฏิบัติไม่ว่าสมัยใด เวลาสาจะรําเป็นเครื่องยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานยุจตลอดเวลาในกายในจิตของเราทั้งหลายทุกคนอย่าไปคิดสายแสให้เสียเร่างเวลาออกไปภายนอกจากกายกับใจซึ่งเป็นตัวเหิุตัวการมอน่างยีลานึงมีเป็นของสำคัญต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาบอสใมเพื่อน